ช่วงนี้เป็นช่วงฤ ด, ดูร้อนมีอากาศร้อนพวกเราเลยต้องหาวิธีลดความร้อนกันโดยวิธีต่างๆถ้าติดเครื่องปรับอากาศได้ก็ติดเครื่องปรับอากาศถ้าติดพัดลมได้ก็ติดพัดลมถ้าไปท่องเที่ยวตามชายทะเลชายเขาชายป่าได้ ก็จะไปกันแต่การลดความร้อนที่ทำกันนี้ทำได้เป็นเพียงส่วนย่อยเท่านั้นเพราะเป็นความร้อนทางร่างกายแต่ความร้อนส่วนใหญ่นี้อยู่ที่ใจถึงแม้ว่าจะมีเครื่องปรับอากาศ ถึงแม้ว่าจะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจตามสถานที่ตากากาศต่างๆแต่ความร้อนของใจก็ยังไม่ลดลงไปลดได้เพียงแต่ความร้อนทางร่างกายที่เป็นส่วนย่อยความร้อนส่วนใหญ่อยู่ที่ใจถ้าต้องการลดความร้อนส่วนใหญ่ ก็ต้องมารดความร้อนของใจการที่จะทำให้ความร้อนของใจลดลงไปก็คือการทำใจให้สงบนี่เองเพราะถ้าใจสงบแล้วใจจะเย็นจะสบายไม่ว่าอากาศจะร้อนขนาดไหนก็ตามจะไม่เป็นปัญหาไม่ต้องไป ติดเครื่องปรับอากาศก็ได้ไม่ต้องไปท่องเที่ยวตามชายทะเลสถานที่ตากอากาศต่างๆก็ได้เพราะใจไม่ร้อนเพราะความร้อนส่วนใหญ่อยู่ที่ใจความร้อนทางร่างกายนี้เป็นส่วนย่อยพอใจเย็นแล้วความร้อนทางร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด ดังนั้นพวกเราจึงอย่าไปหลงกับการแก้ปัญหาทางร่างกายกันเพราะว่าปัญหาทางร่างกายนี้เป็นส่วนเล็กน้อยปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจไม่สงบใจไม่สงบเพราะความหลง ความหลงทำให้ใจเกิดความอยากพอมีความอยากก็ทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาภายในใจถ้าไม่อยากจะร้อนก็ต้องหยุดความอยากจะหยุดความอยากได้ก็ต้องอแก้ความหลงให้ได้เพราะความหลงเป็นต้นเหตุ ที่ทำให้ใจมีความอยากมีความร้อนขึ้นมาความหลงคืออะไรก็คือไม่รู้ว่าความร้อนที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่นั้นอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความสุขความทุกข์ของทางร่างกายนี้เป็นส่วนเล็กน้อย ไม่เหมือนกับความสุขความทุกข์ทางใจพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุปทรงเห็นความแตกต่างระหว่างความทุกข์สุขของร่างกายกับความทุกข์สุขของจิตใจและได้ทรงพบวิธีที่จะดับความทุกข์ทางใจ ให้หมดไปดับความร้อนใจให้หมดไปเหลือแต่ความเย็นใจความสบายใจการที่เราจะดับความทุกข์ของใจได้เราต้องรู้เหตุของความทุกข์ของใจว่าเกิดจากความอยากต่างๆ และความอยากนี้ก็เกิดจากความหลงที่ไปให้ความสําคัญต่อความสุขความทุกข์ทางร่างกายนี่พอไปให้ความสําคัญต่อความสุขความทุกข์ทางร่างกายพยายามสร้างความสุขทางร่างกายพยายามดับความทุกข์ทางร่างกายก็เลยทําให้เกิดความทุก ขึ้นมาภายในใจที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขความทุกข์ทางร่างกายเวลาเราอยากให้ร่างกายนี้มีความสุขใจของเราก็จะต้องเล่นรนหาวิธีการต่างๆที่จะมาทำให้ร่างกายมีความสุข เช่นตอนนี้อากาศร้อนก็อยากจะมีเครื่องปรับอากาศก็ต้องไปหาเครื่องปรับอากาศมาติดตั้งถ้าไม่มีเงินทองก็ต้องไปหาเงินหาทองมาก่อนก็ต้องไปทำงานทำการไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองพอหามาได้แล้ว ได้เครื่องปรับอากาศมาแล้วบางทีเครื่องปรับอากาศก็เสียได้เวลาเครื่องปรับอากาศเสียความร้อนของทางร่างกายก็จะกลับมาใหม่หรือเวลาที่ไฟดับเครื่องปรับอากาศไม่สามารถทำงานได้ความร้อนทางร่างกายก็กลับมา พอความร้อนทางร่างกายกลับมาความร้อนทางใจก็กลับมาเพิ่มมากขึ้นพออยากจะให้ความร้อนทางร่างกายนี้ดับไปแต่ไม่สามารถทําให้ความร้อนทางร่างกายดับได้ก็ยิ่งจะมีความทุกข์ความร้อนทางใจเพิ่มขึ้นมาที่รุนแรงกว่าความร้อน ความทุกข์ทางร่างกายอีกหลายเท่าด้วยกันนี่คือวิธีการแก้ความร้อนของใจที่ไม่ถูกทางาเป็นการแก้ความร้อนทางร่างกายที่ไม่ถูกทางวิธีที่จะแก้ความร้อนที่ถูกทางนี้ต้องแก้ที่ใจเป็นหลักถ้าใจไม่ร้อนแล้วร่างกายร้อนก็ไม่เป็นไร พออยู่ได้แต่ถ้าใจร้อนร่างกายเย็นสบายความเย็นสบายของร่างกายก็จะไม่สามารถมาดับความร้อนทางใจได้คนที่อยู่ในเครื่องห้องปรับอากาศนี้ใจยังสามารถร้อนขึ้นมาได้อาจจะไม่ได้ร้อนเพราะความร้อนของทางร่างกายแต่ไปร้อนกับ เรื่องของรูปเสียงเก่งลดก็ได้พอได้ยินเรื่องของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ไม่ถูกออกถูกใจก็จะทําให้เกิดความร้อนใจขึ้นมาได้ดังนั้นวิธีที่ถูกที่ควรในการที่จะลดความร้อนใจความทุกข์ใจ ในในการลดความร้อนความทุกนี้ควรจะไปลดที่ใจเสียมากกว่าไปลดที่ไปไปลดที่ร่างกายเพราะว่าร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปควบคุมบังคับได้ตลอดเวลาให้ร่างกายเย็นตลอดเวลา ให้ร่างกายมีความสุขตลอดเวลาอันนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้เพราะร่างกายก็มีเหตุมีปัจจัยหลายด้านด้วยกันเช่นอากาศอ น, นี้ก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้อากาศเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อย ถ้าเราไม่ชอบอากาศอยากให้อากาศเป็นอีกอย่างหนึ่งใจของเราก็จะร้อนขึ้นมาใจของเราก็จะไม่สบายขึ้นมาอย่างนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือต้องยอมรับความจริงของสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสกับร่างกายที่มาสัมผัสกับ ทางตาหูจมูกลิ้นกายให้รู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นอนัตตาก็คือไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับรูปเสียงกลิ่นรสผดต่พะดชนิดต่างๆได้เขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนคือมีการเปลี่ยนไป เปลี่นมาอยู่เรื่อยๆบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็ไม่สุขไม่ทุกข์เช่นรูปที่เราเห็นบางทีเห็นแล้วก็เกิดความสุขบางทีเห็นแล้วก็เกิดความทุกข์บางทีเห็นแล้วก็เกิดความไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาเช่นเดียวกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับโวดฐัพพะของเหล่านี้เขา มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้ถ้าเราเข้าใจหลักความจริงอันนี้แล้วเรามาปรับใจให้รับกับสภาพของการเปลี่ยนแปลงของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะจะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์ และจะทําให้เราไม่เหนื่อยเพราะการปรับใจนี้มันง่ายกว่าการที่จะไปปรับรูปเสียงกลิ่นรโปุถุพะแต่เราไม่รู้ความจริงอันนี้กันเพราะเราไม่ได้มีผู้ที่รู้มาสอนมาสั่งมาบอกเราเราถูกความหลงหลอกให้เราไปแก้ปัญหาที่ ไม่ถูกที่และเป็นการแก้ปัญหาที่ยุ่งยากเป็นการแก้ปัญหาที่กลับเพิ่มปัญหาขึ้นมาเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาการที่เราจะไปปรับไปแก้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่เราสัมผัสรับรู้นี้มันยากเพราะบางทีเราก็แก้ไม่ได้เช่นเวลาเราได้ยินเสียง ดูด่าว่ากล่าวเราก็ไม่สบายใจเราก็อยากจะให้เสียงนั้นหายไปแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้คนที่เขาพูดคนที่เขาดูด่าว่ากล่าวเราไม่สามารถไปบอกเขาให้หยุดได้เขาจะหยุดไม่หยุดมันก็เป็นเรื่องของเขา แต่ถ้าเรามาปรับใจเราให้รับกับเสียงด่าด้านกับจะดีกว่าคือเราต้องพิจารณาว่าเสียงก็มีทั้งเสียงชมเสียงสรรเสริญเสียงนินทาดูด่าว่ากล่าวเป็นธรรมดาของเสียงไม่ใช่มีแต่เสียงสรรเสริญเพียงอย่างเดียวดังนั้น เราต้องพร้อมที่จะรับฟังเสียงทุกรูปแบบเสียงสรรเสริญก็รับฟังได้เสียงนินทาว่ากล่าวก็รับฟังได้เรามาปรับใจเรามาแก้ความหลงของใจเราที่หลอกให้เราอยากจะได้ยินแต่เสียงสรรเสริญเพียงอย่างเดียวไม่อยากได้ยินเสียงนินทาว่ากล่าวดุด่าว่ากล่าว เราต้องกลับมาสอนใจให้เห็นความจริงว่าเสียงนี้มีทั้งสรรเสริญมีทั้งนินทาเราจะเอาแต่สรรเสริญเพียงอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเราอยากได้สรรเสริญอย่างเดียวเวลาเราได้ยินเสียงนินทาว่ากล่าวเราก็จะไม่สบายใจขึ้นมาเพราะความอยากของเรานี่เอง เพราะความหลงทำให้เราอยากแต่ถ้าเรารู้ถ้าเราไม่หลงเรารู้ว่าเสียงต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีทั้งสรรเสริญมีทั้งนินทาดูด่ดาว่ากล่าวแล้วเราก็มาปรับใจของเราให้รับกับทั้งสองแบบเสียงทั้งสองแบบรับกับเสียงสรรเสริญและรับกับเสียง นินทาดูด่าว่ากล่าวให้ใจเรามีน้ำหนักเท่าๆกันเวลาเราได้ยินเสียงสรรเสริญเรามีความรู้สึกอย่างไรก็ให้มีความรู้สึกอย่างนั้นต่อเสียงดูด่าว่ากล่าวสรรเสริญนินทาถ้าเราปรับใจได้เราก็ใจของเราก็จะเย็นจะสบายจะไม่ทุกข์ไม่ร้อน เือนกับโผฏฐะคือความร้อนความหนาวความเจ็บของร่างกายหรือความไม่เจ็บของร่างกายก็แบบเดียวกันเหมือนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในกลุ่มอายะตนะที่เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะส่วนใหญ่พวกเรามักจะไปปรับที่ภายนอกกันไปปรับที่เสียง ที่รูปที่กิ่งที่รถที่ปฎิภาแทนที่เราจะมาปรับที่ใจของเรามาสอนใจของเราให้ให้เห็นความจริงของรูปเสียงกลิ่นรสปฎิภะว่ามีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้ เวลาเขาเกิดขึ้นมาเช่นเวลาเกิดอากาศร้อนเราก็ไปเปลี่ยนแปลงอากาศร้อนไม่ได้ถึงแม้เราจะไปใช้เครื่องปรับอากาศก็เปลี่ยนได้เพียงบางช่วงบางเวลาเวลาที่เราอยู่ในห้องปรับอากาศแต่เราก็ไม่ได้อยู่ในห้องปรับอากาศตลอดเวลาเราก็ต้องออกจากห้องปรับอากาศออกมาข้างนอกบ้างเวลา ก็จะต้องมาสัมผัสกับอากาศที่ร้อนอยู่ดีถ้าเราจะคอยแต่ปรับอากาศปรับพลทพะเราก็จะวุ่นวายกับการปรับอยู่ไปเรื่อยเพราะเวลาใดที่ผลทพะเป็นเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขเราก็ต้องพยายามปรับอยู่เรื่อยเปลี่ยนอยู่เรื่อยแล้วพอถึงเวลาที่ไม่สามารถปรับได้ก็ยิ่งวุ่นวายใหญ่ เช่นบางเวลาไฟดับอย่างนี้หรือว่าเครื่องปรับอากาศเสียหรือว่าเงินหมดเครื่องปรับอากาศเครื่องเก่าเสียไม่มีเงินซื้อเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่อย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ดังนั้นการที่เราจะไปแก้ที่รูปเสียงกลิ่นลดผวดพาปะจึงเป็น วิธีแก้ของคนโง่ของคนที่มีความหลงเพราะปัญหาใหญ่ความทุกข์ใหญ่ความร้อนใหญ่นี้ไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผดผละแต่อยู่ที่ใจที่มีความหลงที่มีความอยากให้รูปเสียงกลิ่นรสผดผลเป็นแบบเดียวก็คือเป็นสุขอย่างเดียว ไม่ยอมรับรูปเสียงกลิ่นรสพทธภะที่เป็นทุกข์ผู้ที่สามารถที่จะสอนใจและปรับใจให้รับกับรูปเสียงกลิ่นรสพทธภะทุกรูปแบบได้ผู้นั้นก็จะอยู่อย่างสบายไม่ต้องวุ่นวายกับการไปแก้ไปปรับไปเปลี่ยนรูปเสียงกลิ่นรสพทธภะ ให้มาถูกกับใจของตนให้ปรับใจของตนให้ถูกกับรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะจะดีกว่าใจจะสบายเช่นตอนนี้ร้อนก็ทำใจให้ยอมรับกับความร้อนพอใจรับได้แล้วใจสงบแล้วไม่มีความอยากที่จะให้ความร้อนนี้หายไปใจก็สบาย ถึงแม้ ว, ว่าร่างกายจะร้อนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรต่อไปร่างกายมันต้องเจออากาศร้อนกว่า น, นี้คือเวลาเอาเข้าเตาเตาเผาอันนั้นมันจะร้อนยิ่งกว่าร้อนขนาดนี้ถึงเวลานั้นร่างกายมันก็ยังรับได้มันไม่เดือดร้อนไฟจะร้อนขนาดไหนร่างกายสู้ได้หมดร่างกายไม่กลัวไฟ ผู้ที่กลัวไฟไม่ใช่ร่างกายผู้ที่กลัวไฟก็คือใจใจที่มีความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวของเราเป็นตัวของใจคิดว่าเป็นใจแต่ความจริงแนละ้วร่างกายไม่ได้เป็นใจใจไม่ได้เป็นร่างกายนี่คือสิ่งที่เราต้องมาสอนใจ เพื่อให้ใจของเราไม่หลงพอไม่หลงก็จะไม่อยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของใจเพรรู้ว่ามันทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอนาตาัตตลูกเสียงกลิ่นรดผลพพะเป็นอนัตตามันไม่เที่ยงเป็นอนิจจงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์สลับไปอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใจเราอยากไปอยากให้มันสุขเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าเวลาที่มันทุกข์หรือมันไม่สุขไม่ทุกข์ก็จะวุ่นวายใจขึ้นมานี่คือหลักการของการดับความร้อนที่แท้จริงต้องดับความร้อนที่ใจ เพรความร้อนที่ใจนี้รุนแรงกว่าความร้อนทางตาหูจมูกลิ้นกายหลายสิบหลายร้อยเท่าด้วยกันถ้าดับความร้อนทางใจได้แล้วความร้อนทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดจะอยู่อย่างสบายไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาวิธีการต่างๆมาปรับ รูปเสียงเกล็ดลดผูฏฐะพะเนี่ยที่โลกทํากันอยู่ทุกวันนี้ก็ทําอยู่ตรงเรื่องนี้แหละคือพยายามปรับรูปเสียงเกล็ดลดผูฏฐะพะให้ถูกใจแต่ปรับยังไงมันก็ไม่ถูกใจสักทีพอจะถูกใจสักหน่อยเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปแล้วหรือถ้ามันไม่เปลี่ยนใจก็กลับเบื่อมันขึ้นมาซีกพอเบื่อก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่อีกอยู่ดี ได้รูปเสียงกินรถผพทพะชุดนี้มาใหม่ๆก็ดีออกดีใจพออยู่ไปนานๆเข้าเห็นซ้ำๆซากๆได้ยินเสียงซ้ำๆซากๆก็เกิดความเบื่อขึ้นมาอีกซะแล้วก็ต้องไปหาชุดใหม่มาเปลี่ยนที่หาแฟนใหม่กันหาสามีใหม่หาภรรยาใหม่ก็หาผุทพะนี่แหละหาอายตนะ คือรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี่เองไม่ได้หาอะไรเปลี่ยนมันไปเปลี่ยนมันมาอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าเวลามันไม่สุกก็เกิดความเบื่อขึ้นมาต้องหาชุดใหม่พอได้ชุดใหม่ก็มีความสุขเวลาใหม่ๆก็หน้าตาจุม๋มจิ๋มดีอกดีใจมีความสุขพอเก่าเข้าไปก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมา ก็ต้องมีการเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆนี่คือความหลงไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจไม่รู้ว่าสิ่งที่ใจไปหลงนี้เราไม่สามารถที่จะไปหวังอะไรมากมายจากเขาได้เราไม่สามารถหวังที่จะให้เขาให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลาเพราะเขามีการเปลี่ยนแปลง อยู่เรื่อยๆและใจของเราเวลาได้สัมผัสแล้วใจของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันบางทีเขายังไม่ทันเปลี่ยนเลยใจเราเปลี่ยนซะก่อนก็มี เ, ออเบื่อเขาซะแล้วทั้งๆที่เขายังดีอยู่ทุกอย่างแต่มันเบื่อขึ้นมาของมันอย่างนั้นเพราะว่าเวลามันเห็นอะไรจำเจได้ยินอะไรจำเจมันจะเบื่อถึงแม้ว่าจะเป็นของรักของโปรดขนาดไหน ถ้าต้องเจออยู่เรื่อยๆก็เบื่อได้ไม่เชื่อลองรับประทานอาหารที่โปรดดูทุกวันวันละสามมือ้อรับประทานอย่างเดียวนะั่นแหะรับประทานไปทุกวันของโปรปานขนาดไหนลองรับประทานมันไปดูซิว่ามันจะรับประทานไปได้สักกี่วันเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็เบื่อเองสมัยเราไปทำงานร้านไอติมก็ให้กินไอนติมฟรีใหม่ๆก็กินมันแหลกเลย หากินไปบ่อยๆก็กินไม่ลงต่อไปไม่อยากจะกินนี่คือธรรมชาติของใจและของสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะทำให้ใจของเราอิ่มใจของเราพอได้และไม่มีอะไรที่จะอยู่คงเส้นคงวาที่จะให้ความสุขกับใจเราได้ตลอดเวลา พราะฉะนั้นเราอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะภะมันเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะมันจะทำให้ใจเราต้องวุ่นวายกับการแสวงหากับการปรับกับการเปลี่ยนแล้วก็เวลาที่ไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะะก็เป็นเวลาที่เศร้าโศกเสียใจ ถ้าให้เรามาปรับที่ใจทําใจของเราให้ไม่ให้มีความอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตบะคือให้สามารถรับสัมผัสได้ทุกรูปแบบมีรูปเสียงกลิ่นรสผลตบะแบบไหนมาให้สัมผัสรับรูบ้ก็สัมผัสเหมือนไปถ้าใจไม่มีความอยากแล้วจะไม่มีความทุกข์ ปัญหาของใจอยู่ที่มีความอยากนี้เองดังนั้นเราจึงต้องมาแก้ปัญหาที่ความอยากนี้ความอยากนี้จะหมดไปได้ก็ต้องอาศัยทาสามประการที่เคยพูดอยู่เรื่อยๆเสมอก็คือสติสมาธิและปัญญาสติสมาธิปัญญานี้จะเป็นเครื่องมือที่จะมา ทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ดังนั้นเราอย่าไปเสียเวลากับการไปแสวงหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่าไปเสียเวลากับการไปปรับไปเปลี่ยนไปแก้ไปดูแลไปรักษารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ เพราะว่าทําอย่างไรก็ไม่มีวันที่จะหมดความวุ่นวายกับเขาได้จะต้องมีเรื่องให้วุ่นวายอยู่ไปอยู่เรื่อยๆเรามาทําลายเรามาหยุดความวุ่นวายกันดีกว่าหยุดความวุ่นวายของใจด้วยการหยุดความอยากจะดีกว่าเพราะความอยากนี่แหละที่เป็นตัวที่ทําให้ใจวุ่นวาย ความอยากก็เกิดจากความหลงที่ไม่เห็นความจริงว่าความวุ่นวายนี้เกิดจากการไปอยากในสิ่งต่างๆที่ใจไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้คือเราต้องหยุดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพการที่เราจะหยุดได้เราก็ต้องมีสติ มีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องมือเพราะถ้าเราไม่มีสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือต่อให้เรารู้ว่าปัญหานี้อยู่ที่ใจอยู่ที่ความอยากให้รู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงเราก็ยังอดไม่ได้ที่อยากจะไปมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ ก็ใจยังไม่หยุดผลิตความหลงยังไม่หยุดผลิตความอยากออกมานั่นเองสิ่งที่จะยุติการผลิตความหลงผลิตความอยากได้ก็คือสติสมาธิและปัญญาพระพุทธเจ้าถึงส่งเน้นสอนเรื่องของการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาอยู่อยู่เ ส, สมอให้เรา ขั้นต้นเจริญสติก่อนเพราะถ้าไม่มีสติเราจะไม่สามารถเจริญสมาธิได้ถ้าไม่มีสมาธิเราก็จะไม่สามารถเจริญปัญญาได้มันเป็นเหมือนขั้นบันไดก่อนที่เราจะขึ้นไปถึงขั้นที่สามได้เราก็ต้องก้าวขึ้นขั้นที่สองก่อน ก่อนจะขึ้นถึงขั้นที่สองได้ก็ต้องอยู่ที่ขั้นที่หนึ่งก่อนต้องว่าไปทีละเก้าเก้าแรกก็คือสติเจริญสติให้มากสติก็คือการดึงใจให้หยุดคิดปรุงแต่งไปกับเรื่องราวต่างๆให้ใจตั้งอยู่ในปัจจุบันเป็นหลักไม่ให้คิดไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่ให้คิดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างนี้เรียกว่าไม่ตั้งอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันนี่แหละเป็นที่ตั้งของสมาธิใจจะสงบได้ใจต้องอยู่ในปัจจุบันดังนั้นเราจึงต้องดึงใจให้อยู่ปัจจุบันสิ่งที่จะดึงใจให้อยู่ปัจจุบันได้เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี่มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกัน ชนี้ที่เรารู้จักกันอยู่ที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยก็คือพุทธานุสติการระลึกถึงพระพุทธเจ้าอันนี้ก็จะสามารถดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันได้ถ้าเราเระลึกถึงพุทธโธพุทธโธอยู่ไม่เราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตได้พอไม่ไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตมันก็จะอยู่ในปัจจุบันได้ นี่เรียกว่าพุท ธ, ธานุสติหรือถ้าเราใช้ร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสติเราก็ผูกใจไว้ให้อยู่กับร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกรทาอะไรต่างๆของร่างกายเพราะร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ในปัจจุบันร่างกายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ถ้าใจอยู่กับร่างกายใจก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็จะอยู่ปัจจุบัน พอเวลาไม่ได้ทำอะไรก็ให้ดูลมหายใจแทนดูร่างกายเวลาดูลมหายใจนี่เราก็เรียกว่าอานาปนาสติอันนี้ก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องเจรนสติอีกอย่างหนึ่งเราใช้อามตอนที่เรานั่งเฉยๆเพราะการจะดูลมได้นี่ต้องร่างกายไม่ทำอะไร เวลาทําอะไรนี้บางทีดูลมมันจะดูยากเพราะลมมันละเอียดกว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้มันดูง่ายกว่าดูแขนดูขาดูมือดูเท้ากําลังทําอะไรอยู่อย่างนี้มันง่ายถ้าจะให้ดูลมนี้มันไม่รู้ว่าตอนนี้ลมเข้าหรือลมออกดูยากถ้าพอดูยากแล้วมันก็จะทําให้เผลอง่าย ก็จะไม่อยู่กับไม่มีอะไรเกาะมันก็จะเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เราจึงต้องใช้กรรมฐานให้เหมาะกับสภาพของการปฏิบัติของเราถ้าเรายังไม่ได้นั่งเฉยเฉยเราก็ใช้พุทโธก็ได้หรือใช้การเฝ้าดูการกระทำของร่างกายก็ได้อย่างนี้ก็จะทำให้ใจของเราตั้งอยู่ในปัจจุบัน พอเรานั่งอยู่เฉยๆเราก็ดูลมหายใจก็ได้หรือดูใช้บริกรรมพุโทโธต่อไปก็ได้ถ้าใจจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบเราก็เรียกว่าสมาธิ ใจมีสมาธิคุณสมบัติของสมาธิก็คือความนิ่งเฉยไม่มีความคิดตรุงแต่งมีแต่อุเบกขาสักแต่ว่ารู้มีตัวรู้โผลขึ้นมาให้เห็นผู้รู้มีสักแต่ว่ารู้มีอุเบกขามีความเย็นความสบายความเบาอกเบาใจถึงแม้อากาศจะร้อนขนาดไหน ถึงแม่ร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เนื่องจากนั่งสมาธินานความเก็บเแบบนั้นก็จะหายไปหรือจะไม่มีผลกระทบต่อความรู้สึกทางจิตใจถ้ายังมีความเจ็บอยู่ใจก็ไม่เดือดร้อนใจไม่มีความวุ่นวายไปกับความเจ็บของร่างกายรับกับความเจ็บของร่างกายได้อย่างนี้เรียกว่าสมาธิ ตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในโอเบคาเวลาอยู่ในโอเบคาอยู่ในสมาธิก็ปล่อยให้อยู่ไปให้นานที่สุดใช้ใช้สติกำหนดดูไปเรื่อยๆดูความสงบควบคุมสงังความสงบไปเรื่อยๆจนกว่าจะจิตจะถูกความอยากกิเลสตัณหาดัานออกมา เนื่องจากกำลังของสติอาจจะอ่อนลงไปก็จะทําให้จิตทอนออกมาจากสมาธิเวลาทอนออกมาใหม่ๆความเย็นความสงบความเป็นอุบเบกขาก็ยังมีอยู่เหมือนกับน้ําเย็นที่แช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเอาออกจากตู้เย็นใหม่ๆความเย็นของน้ําก็ยังมีอยู่ แต่จะเริ่มลดน้อยลงไปตามเวลาถ้าออกมาทิ้งไว้นานๆน้ําที่เยอะเคยเย็นก็จะหายเย็นไปใจที่ออกจากสมาธิที่เย็นที่เป็นอุเบกขาถ้าไม่มีอะไรรักษาไว้ก็จะหายจากอุเบกขาหายจากความเย็นได้ ถ้าอยากจะรักษาความเย็นต่อไปก็มีสองวิธีวิธีหนึ่งก็ให้กลับมาเจรานสติต่อให้เจรานบริกรรมพุทโธพุทโธต่อให้ดึงใจให้อยู่กับปัจจุบันต่อให้อยู่กับร่างกายต่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจรานสติต่อถ้า อยากจะรักษาอีกแบบหนึ่งที่เป็นการรักษาอย่างทาวรนก็คือการใช้ปัญญาใช้ปัญญามาสอนใจไม่ให้ไปอยากได้ความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นพอเกิดควา ม, า อ, มอยากจะดื่มเครื่องดื่มขึ้นมาก็ห้ามไว้อย่าไปดื่ม ถ้าอยากจะดื่มเพื่อร่างกายก็ดื่มน้ำเปล่าก็ได้แต่ถ้าอยากถ้าอยากจะดื่มเพื่อความสุขดื่มเพื่อรถเพื่อกินก็อย่าไปดืม่มเพราะความอยากนี้จะทำให้ความเป็นอุเบกขานี้หายไปแล้วก็จะทําให้อยากไปเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องพอได้ดื่มครั้งนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะดื่มอีก มันก็จะดื่มไปเรื่อยๆก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะรักษาอุเบกขาไว้หรือกลับเข้าไปในอุเบกขาได้ถ้าออกจากสมาธิมาแล้วไม่เจริญสติต่อไม่เจริญปัญญาเริ่มมาทำตามความอยากอยากดื่มอะไรก็ดื่มอยากรับประทานอะไรก็รับประทานอยากดูอะไรอยากจะฟังอะไรก็ดูฟังไป อย่างนี้ก็จะเพลิดเพลินมีความสุขไปกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะอยู่จนกว่าจะไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะที่ไม่ถูกออกถูกใจแล้วตอนนั้นก็มาเสียออกเสียใจมาร้องหมร้องห้าทีนี้น้ำตาตกในก็มาบังคับให้บริกรรมพุทโธพุทโธใหม่อันนี้มันก็จะไม่ก้าวหน้าการปฏิบัติก็จะไม่ก้าวหน้า ไป39เดินไป3าแล้วก็ถอยหลัง49เดินไปอย่างนี้กลับไปกลับมาถ้าอยากจะเดินไปอย่างไม่ถอยหลังก็เวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องรักษาสมาธิไว้ด้วยสติเป็นอย่างน้อยถ้ารักษาดได้ด้วยปัญญายิ่งจะดีใหญ่เพราะว่าจะได้ได้เก้าไปข้างหน้าเพราะปัญญาจะทำลายความอยาก ได้อย่างถาวรส่วนสตินี้เพียงแต่เบรยความอยากไว้ชั่วคราวซึ่งความอยากนี้ก็ยังไม่ตายด้วยสติความอยากนี้จะตายต้องตายด้วยปัญญาปัญญาก็คือการเห็นโทษของความอยากว่าเป็นต้นเหตุของความร้อนใจของความทุกข์ใจนี่เองเห็นว่าสิ่งที่อ ใจอยากได้ก็ไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรได้ให้ความสุขเชื่อประเดียวประดาแล้วก็ต้องมาเติมใหม่แล้วบางทีเติมก็ไม่ได้ความสุขแทนที่จะได้ความสุขกลับได้ความทุกข์เพราะไปเติมผิดแบบเคยเห็นรูปแบบนี้เคยได้รูปแบบนี้ความต่อไปอยากจะได้รูปแบบนี้แต่กลับไม่ได้กลับไปได้รูปอีกแบบหนึ่ง อย่างนี้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้เพราะเกิดความผิดหวังอยากได้แบบนี้แต่กลับได้แบบนี้มาเพราะไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรเที่องแท้นแน่นอนและไม่สามารถที่จะไปสั่งไปบังคับขอให้เป็นไปตามความอยากของเราได้เสมอไปนี่คือการใช้ปัญญาให้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เช่นรูปเสียงกลิ่นรสผพิตภันี้เป็นไฟรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าใช้ปัญญาแล้วต่อไปก็จะไม่อยากดื่มไม่อยากรับประทานอะไรนอกเวลาถ้าจะดื่มจะรับประทานก็ต้องดื่มในกรอบของความจําเป็นเหมือนกับการดื่มยารับประทานยาเท่านั้นแต่จะไม่ดื่มไม่รับประทานเพื่อให้เกิดความสุขขึ้นมาเรารู้ว่าเป็นความสุขปลอม เป็นความสุขที่จะทำให้ต้องกลายเป็นาธาตุของความอยากต่อไปแล้วก็จะไม่มีวันที่จะหมดด้วยจะพอติดแล้วก็จะต้องทำตามความอยากไปนอก้าจะต้องการหลุดพ้นไม่ให้เป็นาธาตุก็ต้องไ ม, ไม่ไม่ทำตามความอยากอย่างนั้นแม้ว่าจะหยุดความอยากเนี้อตั้งแต่วันนี้เลยอีก สิบชาติอีกร้อยชาติข้างหน้ามันก็ต้องมาเจอตัวนี้อยู่ดีต้องมาหยุดความอยากตัวนี้อยู่ดีจะผัดไปอีกสิบชาติร้อยชาติก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าอยากจะทนกับความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดก็ทนไปแต่ถ้าไม่อยากจะทนไม่กับความเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้าอีกก็พยายามหยุดความอยากมันเสียตั้งแต่แ บ, บัดนี้ดีกว่าหยุดมันตั้งแต่ขณนะที่ออกจากสมาธิมา จากสมาธิมามันเปี้ยวปากอยากจะดืม่มเครื่องดื่มรถนั้นรถนี้ก็อย่าไปดืม่มถ้ามันต้องการดื่มให้ร่างกายก็ดื่มน้ำเปล่าไปอย่างนี้มันก็จะไม่ติดรสติดกลิ่นติดสีติดรูปนย่างนี้ต่อไปก็จะตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผุถภาได้ตัดความอยากเหล่านี้ได้แล้วใจก็จะสงบ ใจก็จะเย็นสบายอากาศจะร้อนอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรรูปเสียงกลิ่นลดผลภาจะไม่ถูก อ, อกถูกใจก็ไม่เป็นปัญหาอะไรพอยอมรับว่ามันมีทั้งรูปเสียงกลิ่นลดผลภาที่ให้ความสุขและรูปเสียงกลิ่นลดผลพภาที่ให้ความทุกข์เราไม่สามารถที่จะไปเอาแต่สุขอย่างเดียว เพรธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้เขาเป็นอย่างนี้เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใจของเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของที่ให้ความสุขกับเราเรายังเบื่อได้แล้วเราจะนับประสาะไรกับส่งของที่เราใจของเราเรายังสั่งไม่ได้แล้วเราจะไปสั่งของอย่างอื่นได้อย่างไรนี่คือการศึกษาให้เข้าใจถึง ปัญหาที่แท้จริงว่ามันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ใจไม่ได้รับความสงบอยู่ที่ใจที่ไม่มีสติสมาธิปัญญามาคอยควบคุมรักษาให้ตั้งอยู่ในความสงบถ้าตั้งอยู่ในความสงบได้แนละ้วปัญหาทั้งหลายก็จะหมดไปโลกจะร้อนขนาดไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายจะร้อน ถึงขนาดที่อยู่ในเตาเผาก็ไม่เดือดร้อนอะไรใจไม่เกี่ยวเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายใจมีสติปัญญาคอยสอนใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้มีความอยากกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะการมีความอยากกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นต้นเหตุของความรุ่มร้อนใจของความทุกข์ใจนั่นเอง นี่คือวิธีการแก้ความร้อนที่แท้จริงต้องมาแก้ที่ใจแก้ที่ใจที่กําลังร้อนด้วยราคะด้วยโทสะด้วยโมหะร้อนด้วยความโลภร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความหลงร้อนด้วยกามวตันหาภวะตันหาวิภวะตันหานนี่คือเชื้อของไฟ ตัวที่ทําให้มีไฟลุกขึ้นมาภายในใจก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากในการความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ภายในใจมันก็จะเป็นเชื้อทําให้เกิดไฟลุกเผาผลาญหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทําลายหรือเอามันออกไปจากใจได้ ไฟที่เผาผานใจก็จะสงบลงเราก็จะเหลือแต่ความเย็นความสบายนี่คือใจของผู้ที่ได้กาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆด้วยการเจริญสติสมาธิปัญญาก็คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี่เอง ใจของพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะเหตุและผลนี้เป็นอาการวิโกไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศเพราะว่าใจนี้มีเหมือนกันทุกเพศทุกวัยผู้หญิงก็มีใจเหมือนกับผู้ชายปุถุชนก็มีใจเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอาหารหันต์ต่างกันตรงที่ว่าใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระอาหารหันต ไม่มีกิเลสตัณหาเดยเหลืออยู่แล้วใจของปุถุชนอย่างพวกเรานี้ยังมีกิเลสตัณหาอยู่แต่เราก็สามารถที่จะกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกได้กำจัดถ้าเรามีเครื่องมือแบบเดียวกันชนิดเดียวกันที่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์มีกัน ก็คือมีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถที่จะชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราไปซื้ อ, อผงซักฟอกมาซักเสื้อผ้ า, เ, าเพื่อนบ้านเขามีเสื้อผ้าสะอาดเพราะเขามีผงซักฟอกยี่ห้อนี้เราก็ไปซื้อผงซักฟอกยี่ห้อนี้มาซักเสื้อผ้าของเรา เสื้อผ้าของเราก็ต้องสะอาดเหมือนกับเสื้อผ้าของเขานั่ยแหละเพราะใช้ผงยี่ห้อผงซับพอกยี่ห้อเดียวกันธรรมะที่จะทาละใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็มียี่ห้อเดียวกันก็คือสติสมาธิปัญญาบริษัทนี้ยังไม่เจ้งมีมาอยู่ตั้งแต่สองพันหะ้าร้อยกว่าปีแล้วยังมีขายอยู่ไปซื้อได้ตามวัดตามวาต่ า, าง ไปถึงก็ไปบอกพระว่าต้องการสติสมาธิปัญญาหนึ่งหอเดี๋ยวท่านก็หยิบออกมาให้เอาไปไปอยู่กุฏินั่นไปขังตัวเองไปอดกินข้าวอย่าพูดอย่าคุยกับใครอย่าดูหนังฟังเพลงอย่าฟังข่าวฟังอ่านหนังสือพิมพ์ให้พุทโธพุทโธไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไปพิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาไป นี่ก็คือการไปซื้อผงซักฟอกมาสักฟอกใจของเราต้องไปวัดที่เขามีสติสมาธิปัญญาขายนะถ้าไปเจอวัดที่มีแต่พระพุทธรูปมีแต่เครื่องรางของขังขายก็ก็จะไม่ได้สติสมาธิปัญญาก็จะได้โมหะอาวิชากลับมาทําให้เกิดความโลภเกิดความเกิดเกิดความหลงเพิ่มมากขึ้นไป ทำให้เกิดความรุ่มร้อนเกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปดังเวลาไปซื้อผงซักผ้าก็ไปซื้อให้ถูกร้านไปซื้อผิดร้านก็จะไม่ได้ผงซักผ้กยี่ห้อที่พระพุทธเจ้าและพระสาวพระสงฆ์สาวุกทั้งหลายใช้กันถ้าไปซื้อผิดยี่ห้อก็ไม่รับรองว่าจะรักษาเล่าหายที่จะซักเสื้อผ้าแล้วมันจะสะอาดได้ต้องไปซื้อยี่ห้อเดียวกัน สังเกตปลาให้ดีต้องเขียนว่าสติสมาธิและปัญญานี่แหละคือการดับความร้อนที่แท้จริงต้องดับที่แท้ดับที่ใจดับที่ความหลงดับที่ความอยากด้วยสติด้วยสมาธิและปัญญาพระพุทธเจ้าได้ทํามาแล้วพระอาหารหันตสาวกได้ทํามาแล้ว แล้วท่านก็เอามาสอนมาบอกพวกเราผู้ที่ได้ยินได้ฟังนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถชำระใจของตนให้สะอาดได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอาหลานตสาวกทั้งหลายกลายเป็นพระอาหลานตาสาวกเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆพวกเราก็ต่อไปก็จะได้เป็นอาหลานตสสาวกเช่นเดียวกันถ้าพวกเรา มีศรัทธาที่แน่วแน่ต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีฉันทะวิริยะที่จะปฏิบัติตามอย่างอย่างอย่างเต็มที่รับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วภายในชาตินี้ผลจะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน่อางนั้นขอให้พวกเราจงมีความเชื่อมั่น ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เราน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เปรียบเหมือนเป็นแสงสว่างนำทางนี้เอามานำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสิ้นสุดของความทุกข์ของความร้อนทั้งหลาย ừ, การแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไว้เพี่ยนเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรอนยะถาวาเรวะหาปุราปริปุระนติสาขรังเอวเมวะอิโตจินนางเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสะเพปุระนตุสังกาปา จันโทปนรวะโสยถามลิโชติอาะโสยถาสัพพิติโยวิวาจันุสัพพโรโคลีนัสตุมาเตภวะทอันตาราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโธรมมวาทานติ อายุวันโนสุขางภาลั ง, ลงวันนี้มีหนังสือใหม่แจกนะหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่นท่านใดที่ยังไม่ได้เคยอ่านควรจะเอาไปอ่านนะเพราะว่าเป็นหนังสือที่ให้ให้เกิดศรัทธาขึ้นมาอย่างมาก เป็นหนังสือที่ามให้เรารู้ว่ามีพระอาหัน์ปรากฏขึ้นมาในยุคปัจจุบันนี้อาศัยยังไม่ได้ก็ขอเชิญมารับได้ใครต้องการซีดีรื่นหนังสือเรื่องอื่นหรือต้องการถวายข้าวของก็เชิญเข้ามาได้ต่อไปนี้ก็จะตอบปัญหา ถ้าท่านใดมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะมีคำถามทาง Facebook ทางอินเทอร์เน็ตมาจะให้แอดมินหนึ่งคนถามครับต่อไปเป็นคำถามที่มีผู้ฝากถามมาที่นี่นะครับ อยากทราบว่าการที่ผู้ชายโสดในวงเล็บไม่มีแฟนไปเที่ยวสถานเลิงลมโโยตี้อาบอบนวดผิดศีลไหมครับเป็นบาปไหมคือการที่เราจะหาความสุขด้วยการร่วมหลับนอนนี้ท่านก็กำหนดไว้ว่าควรจะเป็นแบบสามีภรรยากันถึงจะเรียกว่าไม่ผิดศีลข้อสาม ถ้าหาความสุขนอกนอกจากนอกจากการเป็นสามีภรรยากันก็ยังถือว่าผิดเป็นผิดประเวณีคือประเวณีก็คําว่าประเพณี น, นั่นเองประเพณีของนักปบัตรของผู้รู้ท่านสอนว่าให้เราถ้าเรายังมีความต้องการความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นก็ควรจะทำแบบลักษณะของสามีภรรยา เพราะว่าจะทำให้มีความสุขไม่มีปัญหาต่างๆตามมาถ้าไปหาความสุขนอกในนอกนอกในรูปนอกนอกรูปแบบนี้ก็จะมีปัญหาต่างๆตามมาได้เช่นจะติดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเพราะผู้ที่เขาไม่ได้มีสามีคนเดียวภรรยาคนเดียวเขาก็จะไป อ, อ่า หาคนนั้นหาคนนี้คนนั้นคนนี้ก็มีเชื่อเชื่อนั้นที่นี้เดี๋ยวก็ออกไปกระจายกันแต่ถ้าอยู่กันระหว่างสามีภรรยาก็จะปลอดภัยแล้วก็จะไดะ้มีความรับผิดชอบจะทำให้เราเป็นคนที่มีหลักมีแหล่ง เป็นมนุษย์พูดง่ายๆมีความรักผิดชอบลักษณะแบบที่ไปเที่ยวกับสถานบันเทิงต่างๆนี้ก็แบบสุนัขเดินก้าสุนักเดินก้านี้เขาไม่มีสามีไม่มีภรรยาเวลาเขาเกิดอารมณ์ขึ้นมาตัวไหนอยู่ใกล้เขาเขาก็จะไปหาตัวนั้นแล้วบางทีก็กัดกันทะเลาะปอกเปลือกกันไปหมดไปแย่งกัน นี่คือการหาความสุขแบบมนุษย์กับความหาความสุขแบบเดรัฉานต่างกันอย่างนี้รูปแบบของมนุษย์ก็คือต้องเป็นครอบครัวเป็นสามีเป็นภรรยาถ้าจะเนินแบบไม่มีสามีไม่มีภรรยาแบบเจอใครที่ไหนชอบกันตรงไหนก็ร่วมหลับนอนกันตรงนั้นก็เป็นแบบเดรัฉาน ผู้ที่ไม่มีศีลเขาถึงต้องไปเกิดนายบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานเขาไม่รู้ความผิดถูกดีชั่วเช่นเขาฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อให้เขาอยู่รอดแต่มนุษย์เรานี่มีสติปัญญาที่จะแยกแยะว่าการอยู่รอดของเรานี้เราสามารถอยู่รอดได้โดยที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นคือเราไม่ต้องฆ่าเราก็อยู่ได้ เพรามีสติปัญญามนุษย์ถึงถือว่าเป็นมนุษย์ที่ฉลาดกว่าเดรัจฉานเพราะมีสติมีปัญญาสามารถแยกแยะความผิดถูกดีชั่วได้ทําให้สังคมของมนุษย์นี้อยู่กันอย่างปลอดภัยกว่าสังคมของเดรัจฉานสังคมของเดรัจฉานก็สังคมของพวกโจร ด, ดีนี่เองอยู่แบบโจรอยู่แบบเดรัจฉานใครมีกําลังมากกว่าก็จะ เป็นผู้ที่ได้อะไรตามใจของตนผู้ที่มีกําลังอ่อนกว่าก็จะต้องถูกเบียดเบียนถูกกานแกล้งถูกอะไรต่างๆนี่คือการแยกแยะระหว่างความเป็นมนุษย์กับความเป็นเดรัจฉานก็คือศีลห้านี่เองถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ก็ต้องรักษาศี่ห้าไว้ให้ได้ถ้าไม่รักษาศีลห้าก็ถือว่าได้เลื่อนตนเองลงจาก มนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานเรื่องเลวกว่านั้นก็ไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์นรกครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเ c e b o o k พระอาจารย์สุชาติบัณิชาโตนะครับคำถามจากคุณรัตะพงศ์นะครับคำถามที่หนึ่งนะครับเมื่อโยมมาปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอแล้วต้องลกสิ่งต้องห้ามที่มีทางไปแห่งอบาย เช่นดูดวงสะดะเคราะห์ต้องรักให้ได้ใช่ไหมคือการดูดวงสะระเคราะห์นี่มันเป็นคำสอนที่ผิดถ้าไปเชื่อก็เหมือนกับไปเดินผิดทางเช่นเราต้องการจะเดินทางจากที่นี่ไปกรุงเทพแล้วพอถึงทางแยกเขาบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายแทนที่จะเลี้ยวขวาถ้าเราเชื่อเขาเราเลี้ยวซ้ายเราก็ไปสัตหีบแทนที่จะไปกรุงเทพ ไปถึงปากทางถนนสุขุมวิตย์เน้ยวซ้ายก็จะไปสัตีเนี้ยวขวาก็จะไปพัทยาไปชนบุรีไปกรุงเทพได้อันนี้ก็เป็นเหมือนกันการที่เราไปเชื่อคำสอนที่ผิดก็จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันหมดสิน้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ถูกที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง นั่นอยู่ที่ว่าเราอยากจะไปทางไหนถ้าเราอยากจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการถึงจะเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนถ้าเป็นนักเรียนก็ตอบข้อสอบได้ทุกข้อทำข้อสอบได้ทุกข้อได้คะแนนเต็มร้อยถึงจะเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโน การเวลาคําสอนพุทธเจ้าสอนให้ทําอะไรเราอย่าไปต่อรองอย่าไปขอว่าไม่ทําได้ไหมข้อนี้ขอทําข้อนั้นเนีถ้าต่อรองแล้วก็แสดงว่าจะไม่ได้ครบร้อยเมื่อไม่ได้ครบร้อยก็จะไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปข้อที่สองนะครับหากโยอมปฏิบัติธรรมและเชื่อในพระธรรมของพระพุทธเจ้าการที่เรากราบไหว้เทวดา เป็นครั้งคราวจะผิดไหมผมมีพระรัตนไตายเป็นสารณะตลอดชีวิตแล้วสามารถกราบไหว้ระลึกถึงเทวดาท่านได้ไหมครับเช่นไหว้พระภูมิหรือสามเจ้าคือการจะไหว้อะไรนี้ก็ ม, มีเหตุมีผลเช่นเราไหว้พ่อไหว้แม่ได้ไม่ใช่เลยเพราะเรามีความเคารพในพ่อแม่ที่เป็นผู้มีพระคุณกับเรา การกราบไหว้ผู้ที่มีพระคุณก็ไม่เป็นสิ่งที่เสียหายถ้าเทวดามาคุ้มครองรักษาเราเราจะกราบไหว้เทวดารุ่นนั้นก็ได้เพียงแต่เราต้องเข้าใจว่าการกราบไหว้นี้ไม่ได้หมายความว่าจะรับคำสอนของเขามาเป็นเป็นเป็นแสงสว่างนำทางเพราะว่าคำสอนของเทวดาก็ยังไม่ถือว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้อง เพราะเทวดาก็ยังหลงยังหลงอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่ไม่หลงกับการเวียนว่ายตายเกิดแต่น้อยการกราบไหว้นี่ก็มีอยู่สองลักษณะกราบไหว้เพราะว่าเป็นครูอาจารย์เชื่อฟังอย่างนี้อย่างนี้ต้องกราบไหว้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแต่ถ้าจะกราบไหว้คนนั้นคนนี้เพราะเขามีบุญคุณกับเราก็กราบได้ คนนั้นคนนี้เขามีบุญคุณกับเราช่วยเหลือเราเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากเรากลาบเขาก็ไม่น็นจะเสียหายตรงไห น, นอันนี้ก็ขอแยกแยะ ว, ว่าการกราบไหว้นี่มันมีเหตุผลที่แตกต่างกันไปถ้ากราบไหว้เพราะเขามีบุญคุณหรือเขาหรือเขาอะไรเขาสูงกว่าเรา นี่เราก็กราบก็ได้เช่นพระก็ยังกราบพระที่อาวุโสกว่าอา น, น้องก็กราบพี่อย่างนี้อะไรอย่างนี้เรียกว่าเป็นการกราบด้วยความเคารพเฉยๆแต่ไม่ได้กราบเพราะเพราะว่าเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันถ้าจะกราบเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์อาจารย์ก็ถือว่าไม่ควรเือไปหาเทวดาแล้วก็ไปฟังคําสอนของเทวดา เทวดาบอกให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ก็เชื่อเขาเช่นมีคนที่เขาเข้าส่งแล้วเขาก็อ้างว่ามีเทวดามีพรมมาเข้าทรงแล้วเขาก็จะแนะนําบอกว่าให้ทําอย่างนั้นทำอย่างนี้อถ้าไปทําอย่างเนี้ยเรียกว่าไม่ควรเพราะว่าจะได้รับคําสอนที่ไม่ตรงกับความจริงข้อที่สามนะครับเมื่อปฏิบัติธรรมไประยะหนึ่ง เมื่อยอมเห็นบุคคลหนึ่งแล้วรู้สึกผูกพันกับเขาเหมือนเคยเจอกันมาก่อนในที่ใดซักแห่งแต่ความเป็นจริงในชาตินี้ไม่เคยรู้จักสนิทสนมมาก่อนเหตุการณ์แบบนี้จะเรียกว่าการละลึกชาติละลึกอดีตได้ใช่ไหมบางครั้งอาการแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากการเจริญจิตตะภาวนาไม่หรอกถ้าการละลึกชาติได้เหมือนละลึกว่า ชาติที่แล้วเราเป็นอะไรเราเจอคนนี้คนนี้กับเราเคยมีอะไรสัมพันธ์อะไรกันอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าระลึกชาติได้แต่การที่เจอใครแล้วมีความรู้สึกว่าคล้ายๆเจอคนนี้มันก็เป็นเพียงความความรู้สึกเท่านั้นเองยังไม่ถือว่าเป็นการระลึกชาเนี่ยคถามข้อต่อไปจากคุณแอนนะครับข้อที่หนึ่งตามหลักอิทธิบาทสี่ ก่อนที่เราจะมีวิริยะมากๆเราต้องมีฉันทะก่อนใช่ไห ม, มแล้วเราจะสร้างให้เกิดฉันทะได้อย่างไรเจ้าคะหรือแล้วแต่บุญในอดีตชาตินำพาฉันทะก็คือความชอบความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สมัยนี้เขาทำอย่างไรเขาก็ทําการตลาดกันไม่ใช่เหรื อ, อเขาโฆษณากันใช่ไหมเขามีสินค้าอะไรออกมาเขาทํางานเขาโฆษณากัน เอาคอ ย, คอยโยต้งคอยโยตี้มาวิ่งมาเต้นกันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยากจะได้ฉันท่าทางธรรมะก็ต้องไปหาคอยโยตี้ทางธรรมะคอยโยตี้ทางธรรมะก็คือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ที่ท่านบารรลุมรรคผลนิพพานกันขึ้นมาแล้วพอฟังแล้วก็จะเกิดฉันทะเกิดศรัทธาขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่ท่านผููนี้หนักแน่น แน่วแนว่ไม่สงสัยว่าอะไรมีจริงก็พูดไปไม่ได้คิดว่าไม่ได้พูดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ท่านจะพูดว่าทำอย่างนี้แล้วจะต้องได้อย่างนั้นพอเราได้ฟังแล้วเราก็ทำให้เราเกิดศรัทธาขึ้นมาดังนั้นถ้าเราอยากจะเกิดฉันทะเราก็ต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรมจากผู้รู้จริงเห็นจริงเช่นจากพระพุทธเจ้าถ้าเป็นไปได้ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ยังมีพระธรรมคําสอนที่จ่าลึกไว้ในพระไตรปิฎกเช่นพระสูตรสําคัญต่างๆที่เคยได้พูดถึงเช่นธรรมจักรกับปวัตตะนาเสดนี่เป็นพระสูตรพระสูตรพระสูตรแรกที่ทรงแสดงต่อพระปัญจวคีแล้วก็มีอีกหลายพระสูตรด้วยกันพอศึกษาแล้วก็จะหูตาสว่างจะ จะเห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ก็จะทําให้เราเกิดมีศรัทธาเช่นถ้าได้อ่านในสติปัฏฐานสูตรี้ตอนท้ายพระสูตรท่านก็บอกว่าถ้าปฏิบัติตามพระสูตรนี้ได้เจ็ดวันก็บรรุได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนอถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีพระพุทธเจ้านั้นพูดอย่างนี้เลยเนี่ยพอเราอ่านแล้วมันก็ทําให้เกิดกําลังใจเหมือนกับเราไปซื้อของเขารับรองเลยว่าอซื้อมานี่ยเจ็ดวันนี่ ผมจะงอกผมจะงอกขึ้นมาเลยคนที่ผมร่วงนี่ภายในเจ็ดวันคนอ่านนี้ก็อยากจะซื้อของอ่ะใช่ไหมอันนั้นแหละอย่างนั้นถ้าเราอยากจะเกิดฉั้นทะเราต้องเข้าหาผู้รู้เข้าหาพระพุทธเจ้าเข้าหาพระอริยสงสาวกหรือเข้าหาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจะลึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้วพออ่านไปแล้วเราจะรู้สึกว่าเราได้ฟัง คำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระโอษฐ์เลยแล้วก็จะทำให้เรารู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้านี้มีจริงถึงแม้ท่านจะจากเราไปสองวันห้าร้อยกว่าปีแล้วแต่คำสอนของท่านนี้พออ่านแล้วมันรู้สึกมันสดสดร้อน้อนขึ้นมาทันทีมันก็จะทำให้เราเชื่อหลักธรรมที่พูดว่าอาการลิโกตามของพระพุทธเจ้าไม่มีวันเสื่อมไม่มีไม่เสื่อมไปตามตามการตามเวลาเป็นสันทิฏฐิโก ผู้ที่ผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองแค่นี้เราก็ทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจมีฉันทะวิริยะขึ้นมาแล้วข้อที่สองนะครับการบริจาควัวในที่นี้คงหมายถึงการถ่ายชีวิตโครกระบือนะครับถือเป็นการทำบุญต่ออายุได้ไหม คืออายุของคนเราเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันถ้ามันเกี่ยวกับบาปกรรมที่เราทําไว้ในอดีตนี้เราไปเปลี่ยนไม่ได้ <c oughs> การถ่ายวัวถ่ยโคนี้เป็นการ <c oughs> อาทําบุญอย่างหนึง่งแต่จะมาต่ออายุเราได้หรือไม่ได้นี่มันดูแล้วมันไม่ไม่มีเหตุผลที่มันจะ เชื่อมต่อกันคือเหตุที่เราทําในวันนี้มันจะส่งผลในวันหน้ามากกว่าเช่นชาติหน้าเราไปเกิดเป็นวัวเป็นควายแล้วเขาจะเอาไปฆ่านี่ก็อาจจะมีคนมาถ่ายชีวิตเราได้แต่ชีวิตของเราในปัจจุบันนี้มันเป็นวิบากเป็นผลที่เกิดจากอดีตเพราะฉะนั้นมันก็จะจะว่ามันถูกกําหนดไว้เลยทีเดียวมันก็ไม่เชิง เพราะว่ามันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่จะทำให้ชีวิตนี้สั้นหรือยาวได้กรรมในปัจจุบันก็มีส่วนการดูแลรักษาร่างกายของเราในปัจจุบันการอยู่การกินอะไรต่างๆนี้มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้อายุของเราสั้นหรือยาวได้ถ้าเราชอบดื่มสุดาชอบสูบบุหรี่เนี่ย มันก็จะทําให้อายุเราสั้นได้ถ้าเรารับประทานแบบไม่เลือกแบบไม่มีประมาณเจออะไรก็รับประทานหมดนี้ร่างกายก็เต็มไปด้วยไขมันเต็มไปด้วยน้ําตาลมันก็ไปทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาได้ด้วยการใช้ชีวิตแบบไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกสุขลักษณ ะ, ะเที่ยวเตะกระตำกับการทํางาน ไม่มีเวลาพักผ่อนหลับนอนที่เพียงพออย่างนี้ก็อาจจะทำให้ร่างกายชํารุดทุดโทรมได้หรือไปอยู่ในที่ที่มันอันตรายต่อชีวิตไปทำงานในสถานที่มีมีมีการเสี่ยงกับการเสียชีวิตอันนี้มันกม็มันก็เป็นเหตุที่จะทำให้ชีวิตสั้นหรือชีวิตยาวได้เหมือนกนนันแต่การเรื่องของการถ่ายโคถ่ายวัว นี้คิดว่าของจะไม่มีไม่เล่นเป็นเหตุที่จะทําให้ชีวิตท่านหรือยาวขึ้นในภพนี้มันเป็นการทําเผื่อไว้ในภพหน้ามากกว่าคือเราทําอะไรกับใครเราก็มักจะได้สิ่งนั้นกลับมาอย่งที่ท่านแสดงไว้ว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นก็จะกลับมาหาตนให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็จะกลับมาหาตนถ้าเราถ่ายชีวิตของผู้อื่น โอกาสหน้าเวลาที่เราจะเสียชีวิตก็อาจจะมีผู้อื่นมาถ่ายชีวิตของเราให้กับเราก็ได้เนี่ยให้มองอย่างนี้ก็แล้วกันจะได้สบายใจไม่ใช่ถ่ายแล้วก็มานั่งดูว่าเน้่เราจะอายุเราจะยาวขึ้นอีกกี่เดือนกี่ปีเนี่ยเราไม่รู้พอมานึกอยู่นันเดินข้ามถนนก็โดนรถชนตายเลยก็มีเพราะไม่มีสติสตังมัวแต่จะคิดว่าวันนี้เราถ่ายวัวแล้วเราจะไม่ตายแล้ว อ่หมดได้ยังหมดครับอาจารย์เมื่อปฏิบัติมาจนผิดมันตั้งมั่นแล้วอยู่กับปัจจุบันมันสัญญามันทิ้งเลยนะจานมันลืมก็ดีเนี่ยในสิ่งที่มันคนัวจะลืมได้ปัจจุบันตลอดเลยไมเอาอดีตไม่เอาอะไรมันลืมหมดเลยค ได้แต่เราสั่งมันได้เยถ้าเราอยากจะคิดถึงอะไรเราก็สั่งมันได้แต่ดีแล้วล่ะที่ที่ลืมได้ก็ดีเพราะว่าเราไม่ต้องการที่เพราะสัญญาของเราส่วนใหญ่มันเป็นสัญญาไม่ดีสัญญาที่ผิดคือไปคิดถึงเรื่องที่ไม่เที่ยงว่าเป็นเที่ยงไปคิดถึงเรื่องที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปคิดถึงเรื่องที่มันไม่ใช่เป็นเราว่าเป็นของเราเนีอันนี้ก็คือวิธีลบมันไปแต่มันไม่หาย เราต้องใช้ปัญญาเข้ามาต่อกย้ำอยู่เรื่อยๆว่าต่อไปนี้เราจะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแล้วต่อไปเราก็จะได้สัญญาใหม่ขึ้นมาสัญญานี้ก็จะปกป้องรักษาใจของเราไม่ให้เกิดความอยากพอไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ก็ทําถูกแล้วเนี่ยเวลานั่งสมาธิจิตมันจะว่างมันจะไม่มีอะไรเล ย, ยในอุเบกขามีแค่ตัวรู้หรือว่าความรู้สึกตั้เออ ใช่แต่ก็อย่าไปประมาทเพราะเดี๋ยวไปเจออะไรที่กระตุ้นสัญญาเก่าขึ้นมามันก็โผล่ขึ้นมาได้เดี๋วไปเจอแฟนเก่าขึ้นมานี่มันก็จะกระตุ้นการอารมณ์ขึ้นมาได้เหมือนกันก็ต้องเตรียมสัญญาใหม่เมื่อก่อนเคยเห็นหน้าแฟนว่าสวยต่อไปต้องมองให้เห็นกะโหลกศีรษะเ่อนอย่าเห็นแต่ผิวหนังที่คอบครอบอยู่ครอบกะโหลกศีรษะมองให้เข้าไปทะลุผิวหนังเลย มองก็ไปใต้ผิวหนังมองร่างกายของเขาให้เห็นตับไตไส้พุงเห็นอวัยวะต่างๆนี่คือสัญญาใหม่ที่เราต้องสร้างขึ้นมาเพราะเดี๋ยวเราไปเจอคนที่รูปร่างหน้าตาคล้ายแฟนเราที่เราถูก อ, อกถูกใจเดี๋ยวกามารมณ์มันจะกโผกขึ้นมาได้ตอนนั้นเราก็ต้องใช้สัญญาใหม่คืออสุภะเข้ามามองให้เห็นอสุภะของเขามองให้เห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งาม ผองโยมเองเวลาจิตมันตั้งมั่นแล้วมันอยู่ในปัจจุบัแล้วมันก็จะดึงเข้าไปจูงสังขารร่างกายตัวเองเ ห, เห็นตาเห็นใตเห็นร่างกายเป็นกระดูกอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะพิพจารณาไปก็ต้องเห็นทั้งของเราและของคนอื่นด้วยโดยเฉพาะคนที่เรามีอารมณ์ด้วยเพื่อเราจะได้ดับอารมณ์นั้นได้ งั้เราอย่าเพิ่งไปคิดว่าจิตเราอยู่ปัจจุบันจิตเราว่างมันว่างเพราะว่าเราอยู่คนเดียวอยู่ในสถานที่ไม่มีอะไรมากระตุ้นกิเลสของเราหรือสัญญาเก่าของเรามันอาจจะตกตะกอนไปก็ได้พอใครไปตักน้ําขึ้นมาตะกอนมันก็จะลอยขึ้นมาพอเราเอามาสัมผัส ก, กับรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะมันก็อาจจะไปกระตุ้นให้สัญญาเก่าที่เราคิดว่าหายไปแล้วโผล่ขึ้นมาได้ แล้วเราต้องมีสัญญาใหม่มาล้างสัญญาเก่าให้ได้มาลบล้างสัญญาเก่าพระเจ้าถึงทรงสอนให้เราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายเป็นเพียงอาการสามสิบสองไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลในร่างกายนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีลูกอยู่ในร่างกายนี้ตัวพ่อตัวแม่ตัวพี่ตัวน้องนี่อยู่ในจิตอยู่ในใจของแต่ละคน แต่ตัวร่างกายนี้ไม่มีอะไรมีแต่อาการ32ทำมาจากดินน้ำลมไฟเวลาร่างกายนี้ตายไปไม่มีใครตายพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้พ่อแม่พี่น้องอยู่ในใจเขาก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเป็นพ่อแม่พี่น้องของคนใหม่ต่อไปถ้าก็ยังมีปัญหาความอยากอยู่นี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาสร้างสัญญาใหม่ขึ้นมา พอเป็นสัญญาที่ตรงกับความจริงถ้าตรงกับความจริงแล้วมันก็จะไม่หลงพอไม่หลงมันก็จะไม่ยึดไม่ติดมันก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจเวลาที่สูญเสียสิ่งที่เราไม่ยึดไม่ติดไปที่เราเศร้าโศกเสียใจเพราะเราไปหลงคิดว่าสิ่งที่จากเราไปนั้นเป็นพ่อของเราเป็นแม่ของเราเป็นพี่เป็นน้องของเราแตความจริงเขาเป็นเพียงดินน้ำลมไฟอาการสามสิบสอง มันพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วแล้วถ้าพิจารณาแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มฟุ้งซ่านก็นหยุดพิจารณาแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิไปทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาใหม่แล้วเสร็จแล้วถึงค่อยออกมาพิจารณาใหม่มีครั้งหนึ่งที่ลม น, น่าสำลักคือแล้สจิมันเห็นว่าแม้กระทั่งลมหายใจมันเป็นแค่เพียงคลางานแถแถว ถ้มันกรแตกเปียๆแม่ละทั้งยทุกตาเหมันก็แตกแล้วมันจิตมันก็ร้องไห้ว่าทําไมร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรามันใช้สาราะมันไม่ใช่สื่อสานประมาณมั้นก็ค่ะก็ขอให้เราลบแบบที่ว่าเราไม่ไม่เสียดายมันไม่กลัวมันเวลามันจะจากเรามันจะตายเราพร้อมที่จะให้มันจากเราให้ดูให้เห็นแบบนั้น พอเราคิดว่าเรามั่นใจว่าเราไม่ยึดไม่ติดมันแล้วเราก็ลองเอาไปทิ้งมันในป่าดูไปอยู่ในที่มันหน้าหวาดเสียวต่อความเป็นความตายดูดูซิว่ามันยังมีความยึดติดอยู่หรือเปล่าถ้ามันกลัวก็แสดงว่ามันยังยึดติดอยู่ถ้ามันไม่กลัวก็แสดงว่ามันไม่ยึดติดมันปล่อยได้มันปล่งได้แต่จะรู้ไม่รู้ก็ต้องไปเจอภัยก่อน ถ้าไม่มีภัยมามันก็จะไม่รู้เช่นไปเดินจ้าเอ๋กับเสือกับงูอะไรอย่างนี้แล้วดูสิว่าใจของเราเฉยหรือไม่เฉยตื่นเต้นตกใจหรือเปล่าถ้ามีถ้ามีปัญญาเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะเฉยได้อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปเพราะในที่สุดมันก็ต้องตายอยู่ดี อันนี้ต้องไปพิสูจน์ดูหลังจากที่เราได้อพิจารณาการพิจารณานี้เป็นเหมือนการทําการบ้านยังไม่ได้เข้าห้องสอบถ้าเป็นนักมวยก็ยังไม่ได้ขึ้นเวทียังชกกระสอบทรายอยู่ถ้าอยากจะรู้ว่าชิงแชมป์ได้เข็นขัดแชมป์หรือไม่ก็ต้องขึ้นเวทีไปต่อยกับแชมป์แชมป์ของเราก็คือโมหะความหลงนี่ความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา ดูซิว่าเราจะเอาชนะมันได้หรือเปล่ามันบอกเป็นของเราเราต้องบอกว่าไม่ใช่ของเรามันจะตายให้มันตายไปไม่ต้องไปเสียดายมันอ่าดังๆหน่อยได้ไหมอัสนาวเราจะรู้ได้อย่างครับว่าอันไหนคืวิปัสคือสนาเกือกมันไม่มีวปสัสนาเกมันวิปสัสนาอย่างเดียว วิปัสสน์วปสสนามันก็ต้องมีนึกไปก่อนไงพิจรารณาพิจารณานี่ก็เป็นการนึกไปก่อนเป็นการเตรียมตัวทําการบ้านไปก่อนอย่างที่พูดเนี้ยตอนนี้คุณก็นั่งนึกไปว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนคุณคิดว่าใจยอมรับความจริงนี้ได้คุณก็ไปวิบไปหาของจริงดูไปอยู่ที่มันน่ากลัวไปอยู่ที่มันท้าทายต่อความเป็นความตายดูแล้วก็ดูซสว่ามันมันปล่อยได้หรือเปล่ามัน มันดับความกลัวได้หรือเปล่าถ้ามันดับความกลัวได้มันปร่งได้มันยอมตายได้จริงๆมันก็นี่แหละจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาแสดงาจะที่กลงะเน้อมจิตไปก่อนได้ใช่ต้องสอนให้รู้เรื่องก่อนอว่าเหมือนกับเตรียมตัวเข้าเข้าสนามรบอย่งเ้ทหารก็ต้องซ้อมรบก่อนพอถึงเวลาเข้าสนามรบจะได้รู้ว่าใช่ทำอย่างไร ถ้าไม่ซ้อมไม่ก่อนพอไปเจอความตายรับมันจะวิ่งหนีทันทีมันจะตกใจตื่นหนีไปเลยอย่างที่มีนิทานอยู่เรื่องหนึง่งที่พระท่านเล่ากันในวงกรรมฐานรู้สึกหลงตาท่านเขียนไว้ในหนังสือของท่านมีภาพ ร, รูปนี้ท่านก็อยากจะไปพิสูจน์ความกล้าหาญของท่านท่านก็เลยไปที่ที่หมู่บ้านที่มีเสือแล้วบอกให้ชาวบ้านพาไปพาพาไปหาที่ปักกดอยู่ ชาวบ้านบอกว่าที่นี่มีเสือดุจริงๆนะครับไม่เป็นไรท่านมาต้องการที่จะมาพิสูจน์ดูว่าอใจของท่านนี่กลัวเสือหรือไม่กลัวเสือเอาชาวบ้านบอกถ้าท่านแน่ใจก็จะพาไปเอาชาวบ้านก็พาไปให้พาให้ท่านไปไป ห, หาที่ปรับกฎภาวนาแล้วพอตอนเย็นตอนคืนนี้เสือก็เริ่มคํารามออกมาพอท่านได้ยินเสือตอ้งต้นใจท่านก็เริ่มสั่นนะ พอเสียงเสือใกล้เข้ามานี่ท่านบอกสติแตกเลยภาวนาไม่ได้เลยโกรยอย่างเดียววิ่งเข้าไปหามไปในบ่บ้านเวลาพูดก็พูดแบบปักใจสั่นพูดไม่รู้เรื่องท่านบอกเสือเๆๆๆเๆืออือเอเ อ, เ อ, อันนี้แหละพะ่อถนัดยังไม่ได้ซ้อมมาเต็มที หรือท่านไม่มีพลังจิตคือสมาธิที่จะหยุดหยุดความความกลัวความปุุงแต่งนี้ได้คนที่ยังไม่มีสมาธินี่อย่าไปอย่าไปทําเพราะว่ามันไม่มีกําลังที่จะหยุดเวลากิเลสออกมา อ, ออกฤทธิออกเดชนี่สู้ไปไม่ได้ยันอย่างน้อยก่อนที่จะไปนี้ต้องมีสมาธิก่อนเมื่อมีสมาธิแล้วก็ต้องซ้อมพิจารณาความตายไปเรื่อยๆก่อน จนคิดว่ามีความมั่นใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้มันจะต้องตายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามและยินดีที่จะให้มันตายเราตอนนั้นแล้วค่อยไปหาความพิสูจน์ความจริงดูไม่มีใครอยากจะถามอะไรแล้วใช่ไหมอย่างนั้นก็คิดว่าวันนี้ขอขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ